ก็มีดวดาตแสดงตัวสว่างจ้าทั้งห้องเป็นหมดสวยมากแล้วก็มองด้วยดวดาวอยางนี้มาเจออยู่เมา่ก่อนเอาจะดีใจบอกผมเทวดาที่ดอกครับเพื่อต้องเรียกราบมาเขาที่หอกไปไหนก็บรรดาบราบอกจะตายไม่เสียู่เลยครับมารายงานตัวบอกผมดูเทวดาที่หดอกมาตัวนั้นน่ะเหรอใช่ ระวังดีเป็นคนอาจจะแพ้หมาได้ไ่เป็นหมาแทนเลย้คนเรานี่เสียธาตุนั้ผู้ตายที่ได้สิทธิเราพอ่ายทำเรื่อมาจ่น่าเ่จะเป็นสุนัขจะเป็นสัตว์อมันกลายํามม่เลมถ้าพอตายจากสุนัขมันก็มีสองสูตรว่าจะเป็นคนหรือเป็นสุนัข ถ้าคนเก่าก็มีก็มาสนองเป็นลานเองเขาไปเป็น้าดาเลยถ้าุนเก่าต่ำเจ้าตายเขาต้องเกดียแต่ว่าต้อ ง, องสังเกตว่าไปจัดอีกคนไม่ตายหรือว่าัดที่รูา้าษาถึงมากใหทางถ้าว่าจะเป็นสาธิตยังค น, ค น, ค น, ค น, ง น, นยังยังมาแล้วยังคนม่ตาอยอยู่เป็นยังสนองการ <c oughs> ต่อไปการฆ่าจะเกิดเป็นคนที่บันดาลไอ้คามดีเรือก็สนองแล้วไม่ตายบะดี เม่ว่ากเกิดมีคุณค่าอย่างนี้ก็ต้องมีการให้ทานบ้างมีการสงสารไม่ตายบ้ต้องมีอยู่พราะนบุญต้นแเข้าสันนงก็มีคนไม่ตายมีสุขเพราะโทานอ่ะอ่ะโซตอเนี้ถ้ามีวิญญาณนี้แล้วก็ตายแล้ว้าไม่ติดคนที่คนโบราณเขาพูเก่งไปอยอะละตอนนี้เมื่อสองวันนี้ได้ไม่โตให้เป็นหมาถ้าก่อนเป็นแมวอันนี้ผมได้ยินพ่อบอกว่า ก็ได้มาอีกตัวไมกลุ่มไหํกไรใช่แลวต่อไปเรื่งใขาดคุนใช่ไหมใช่ตอนนี้หมานนี่หมาก็เลยตั้งคื่อกํากไรครับใช่กำไรกำไรตรงการหัวที่มีเป็นสิดไอ้น้ำตารอันหรืออะไรอ๋อไอเดินทองคำเป้นเรื่องรักกับต่อไปจะมีท้องคำน่าพาดหัวอ๋อสูงเลยใช่ดี ตั้งคือตามพี่พ่อเสนอได้ดีพี่พ่อดีเนี่แต่ฉันเป็นคนที่ได้กาไรเรื่อยๆโอแล้วต่อไปใกล้ไปตัวคนที่มันเจ้าเจริญร่ำรวยก็ได้ไปตัวที่จะมัาชีพต้องทำให้ตัวเราต้องเจริญร่วะ ไหลมาเป็นแถวนั้น่ทำมันมาไม่หาเองตอนนี้สองตัวนี้เป็นสิ่งมงคลดีนะดีดีมีเรื่องอยูนิดนึ่งผมก็เลยอยากจะถามว่าสังกทานแมวนี่จะได้หรือเปล่าครับอี่พอไม่อกไม่ได้สังกทานแมวทำแมวมาสวยสังกัไม็ไม่เคยอย่างนั้นจังวะมันเป็นยังไง ก็คือแมวโมกน่ะป่วยถูกแมวใดญกัดไม่กินข้าวเพราะข้าผูกหรือ็วันเห็นข้าไม่ได้ข้าจะตายก็เลยบอกว่าเดระก็าสามมาสูตติเจ้าหรือุู้องครองพระเจกับผู้เจ้าหรือผู้ปกครองพระธรรมบารีของหลายมีว่าข้าทูกป็นที่สุดหลาว่น ไเ่แม่ปไปวายแล้วไมานงตั้งเลยนะอสวายแล้วไม่านแมครับครับครับปิมากรขาดอะไรอย่างเนี้ยแทนหักใจรัวใจแม่ไปสวาแล้วม่ทานเได้ได้เจนงตสได้สมมติว่าบ้นานใครเชี้ยหมูาค้าไก่เจ็บไข้ได้ป่ว ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยหรือพอ่อแม่เจ็บไข้ได้ตัวยนี่ตั้งกินในหมาท่านสบายแล้ก็ทานลจะอุ้มขึ้นใ้ก็นี้ผล ตลที่จะมีจริงๆกับเพื่อนผู้ถวายที่รับผลเป็นร้อยเปเใช่ไหมถ้าศัยกันไม่ตาบรายมีหรือเขไปหางซีนตรงนี้มันก็สร้างความดีเขามขาจะมีคนด้กันเขาเขาบินกันยังไงเนี่ยอันนี้บางทีเขาป่วยป่วยกันเขาถวายเขาทารบางทีพ้อกลับไปก็ทุนโรงพยาบาลดีขึ้นตรงนี้อันนี้มีลยหลายหลายรายเขาทานได้งายเลยใช้ใช้ไม่ได้หมายความทชู้ดสั ได้งมาท้วว่าความดีของเขาเนี่ยก็มีรายงานมาเลยบางีก็กลับไปก็นั่งคุยสองสาวโมกลับไปตกองคุยไ่รู้ไหคุยแล้วหลังเหือกใรมี้องหมาป่ากับเหี้ยไผ่จะปุวยได้แ่นใช่ใช่ันคือบมาใช่มาหมาอกว่ามีท่าทุ่มเป็นที่สนเลงนะใช่ใช่ยังไงยงไงเรือว่าเราแมไม่ได้มากก็น้อย <B ø l> พ่อพ่อปวเวลาพ่อเวลาติ๊กเลยนะเงียเียเวลาปวดมนเห็นแม่มานั่งข้างๆและได้กลิ่นอยู่เสมออยากทราบว่าแม่ยังห่วงอะไรหรือเปล่าครับกลิ่นตวินสั์โอ้กบา แค่ลูกพ่อกินสูบกินตามันมันเป็นก s ้งเลยนะไอู้บตามันเหม็นมากเลยเป็นรสสงบสัมผัสก็จะเหมือนแต่แมาแบบคนสูบปั่นี่ไรเงี้ยไอ้เรื่อดีกินสูบไม่ใช่ไม่ไดบอกกินตเหม็นกินฟุ้งๆยอ่าเออสถานะยัไเนี่ยอ่าเวลาน่งนรวจมล เห็นแม่มานั่งข้า ง, งอยู่เสมอและก็ได้กลิ่นด้วยจากทราบว่าแม่ยังห่วงอะไรหรือเปล่าตอบไม่อยากเลยแม่ยังห่วงเพลยงว่ลูกจะปลอดภัยเท่าไร่สมัยท่านั่งท่านสบายมากแล้วถ้าไม่สบายมากท่านจะไม่อยู่ข้ามไม่ได้เขากระดายกลินให้รายตรวจให้เดินเดินนะว่าเขานมีความสุขมาก ในเม enough, ื Heck, no ่อเขาเป็นเทวดาแล้วผมลูกเขาต้องลูกจะโกยรงมาลบทะให้เลือกึ้เขาอยู่แล้วเลือกข้นแม่พ่อแม่่ยเป็นความรักันยูรูปคุณจะลืมแล้วไปเป็นเทวดาได้เห็นไหมยา้ะแ้ยิ่งสวดมนต์เยีะคนั้ในในจะสิ้นแม่ด้วนมีความรู้สึกแม่มาด้วยจิตจะได้สองอย่างมีความคลามรักันชนะชนตายด้วยมีความวักันยูรูปคุณดยผมไปตรวดแม่แล้วเานก่อนตอนนั้นโกยรเปล่าตัวไทเนีโกยสะาเนาะ ถ้าไม่โกดแม่นะท่านดีใจว่าท่านแม่ท่านมาเรื่องนี้เป็นความกัตยูรูปุลแค่กัตยูตัวเดียวเนี่ยไปสวรรค์ไม่สบายแล้วละว่าไปได้เลยคนนี้เก่งต้องขอชมเชิญคนนี้เก่งาะวการสวดมนต์ในจิตนิุกจารสมาธิพอดีเ้าสาธิตว่าจิตนิุกจารสมาธิเรมปฏิบัิสามารถทุได้ ถ้าต้องสิ่งโลกเปลนมาแต่ร้อนจะได้กระโดงยอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้กนะโดงยุทธิ์น ะ, ะเวลาดดวท่านสิ่งเข้ไปพื้นเลเฉพาะเรื่องเฉพาะเวลาได้เวลาแ ม, ม่ตายเมื่ออายุสี่สเก้าอย่างนี้จะเรียกว่าเพราะคำตัดรอนหรือเปล่าเจ้าครับต้องไม่ใช่แม่มาถามมือ เข <l ots> <s ans> าสัญญาเราไม่เท่าไรเราไม่รู้เลยเยอะเยอย่างนั้ น, จ, น, นจะเป็นตายเรตายไปเลถ้าแม่ตายยุค4ีเกาเราก็ต้องระวังมาเลยเพราะคนที่อายุ น, น้อยกว่าแม่แะตายกอนเิ่งที่เราจากวันหนึ่งเข้ามาวันใดวันหนึ่งเราอาจจะตายก็ได้เป็ น, นาราะมรณะเนี่ยอเมริกามีอะไรไหมเป็ <l ots> านชายเป็นเ้าเจ้าพ่อว่าว อแม่มาบอกว่าให้นําอาหารอย่างนี ato, ้มาเส้นไหวอยากจะทราบว่าการเส้นไหวนั้นจะมีผลหรือกล่าหรือว่าไปถวายร่าีกกว่าอ่ายืดก่อนถ้าเขาบอกยังไงต้องปฏิบัติตามนั้นหากเขาบอกแบบไหนต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าเจ้นไม่อะไรนั้เขาไม่ได้จริงเขหวังอะไรที่ไหนเพราะว่าคำว่าเวทีก็ดีกระจายก็ดีที่มาสิมที่นมาจะได้ชิมจะได้ดื่ดิ ตาเขาบอกแค่มาวางไว้ตรงนั้นอามาบูชากระพรี่จับขี้ไ้ตรงนั้แล้วไปถวายพระผล้นิหน่งก็ถวายพระอริสงฆ์็นสังฆราชนความดูคุณในสังฆผลไปอย่านี้โอ้ธรรมเวทีก็กระจายไม่มีสิถ้าวางไว้ตรงนั้นก็สรรมเวทีกระจายมีสิก็แสดงว่าที่บ้านนั้นจ่ต้องมีสรรมเวทีกระจายอยู่อย่้ออยู่ อะไรจริงแล้กวก็ให้ความเป็นนิรให้ให้ความเป็นนิริศเงี้ยให้ให้ความจบเลยใ่ไหมจบจบเลยถ้าใครมีอะไรวันนี้มีอะไรไห ม, มไเออายไปแลวเวลาให้ถามไม่ถามเลยนี่อะไรเนี่ยแบบประเทศก็จะมาให้ลงหรือว่าจะไ้เทไม่เกี่ยวอะ่ะไม่เกี่ยวก็ไปยอาของโตมันจบเป็รายเ ้ป่วยเรื่อยถ้าพระเจ้ากระลงมาป่วยแล้อผ่านนานแล้วที่ป่วยทุกวันป่วยมรนย้ำเลยป่วยมันย้ำกินยาวันละสีเวลาโที่าก็ไาม่ได้มาทุกทีหมอมาจะป่วยตาม่ไมถามาไม่ได้จะดูาเลยก็จะป่วยเลยอ๋อง่ายสบายๆงนะทุก 买的话，要钱。不要不要不要，哪些报纸嘛？不会。不会猜。像那些，那个纸，就是不要钱。那不用买。买呢？要不要钱？是啊。不贵嘛。 อายไงหาใครทารยาเสือครับนี่ต้องเป็นผู้ปิเสธตที่วกเราทำบนี่นะท่านมาคนเยอะท่านมาโมทานมนเยอะีพระพุทธเจ้าป้ามีที่จ่าต่างชิ้นทันนมาอ๋อคนเหนื่อยวันยนปันลละส่วนสัตว์ทัางนี้ที่เกี่ยวกายสาย่ง ทำให้เขาชอบทำยาสีเขาไม่ชอบสีเขาทำอะไรเขาอยากทำสีรับใช้ไหมรับใช้ดีโอ้ประมาณ้เลยนโมนาที่นี่แบบฟังไม่บ้านสี่อ้ที่เวลารับสถานนี่นี่อะไมากมากมาหนักมาก ยังยังปุญญาภูริศ mm ีก hmm. ็บรรจกโดพระาตวังปรวันลงใช่ใ่คงดเลยขอถึงว่าธาตุนใช่คุณพรางเมื่อใคบอกผมยาเสือเราไม่เคยอยู่ที่รีเลยนี่ยเี่เมื่อวันเกิดนี้ที่ไทยทวารในทุกอย่าเออยาเสือ่ทอะไได้ใค้ราะเรากท่าจริงเคยไม่ได้ยาเสียมาก พี่รเรืองนเรื่องแล้วพี่ยาเสือที่เท่าไรเี่เออพี่ยาเสือใช่เวลาผลผลิตที่จริงท่านเลยท่านมีฟ้าทกใครมที่ใสมาคู่กับมาทุกเรือกับ้าแล้วเป็นาเภกใช่เหมือนช่วยช่วยกับแก้วตาที่ลบความแดดจกเราใใช่ใช่เราท่านจมาก่อนเราเรื่องฟ้าเรี่องฟ้าฟาี่ มาก่อนเขาไปนามารูปที่่ตอนได้ไข่ถึงแต่ว่าตอนนั้นที่วัดมาถ้าไข่ถึก็บอกมาท่านบอกว่าเด็พ่อเคยถ้าเวลาวาเมืองกลังเดือดร้อนพรไมจะช่วยช่วยแล้ววันหลัจะหล่อลูกของเสด็จพ่อสักทีหนึ่งถ้ารองว่าใจะถวายละครวนนะทางมาไม่กี่เดือนีเุุ่กพาเลยหล่อไปเลย ผุปปะวอะไรรอรอรอปัจวุบันเนี้ยอ๋อคุณก็โดดนี้แมวไม่โดนไม่โดนใครแล้วตอนจริงไปลนรังสวายค์อาไปเลยรังสวรรเลยรันเลยนหกร้บาทหกรอยบาทหกรอยเลกรอยบาทเชื่อช้างมากเลยไปยืมที่ฐานเพ่พ่อหลังเดืองไปหกอ่านเองคือหกร้อยบาทเอ้ยดูช้างมาเลย ใม้มาดีท่านั้นเออเออแล้วก็แยกาจเท่าหล่อลูกล่างเป็นไงนะอายืนแล้วก็มือตาโดนกระปิดาไม่ใช่ไม่ใชลูกล่างใหญ่โตเท่าที่เกิดปลาแล้วเปียวกว่าน่อยเท่าตรงจริงตรงนี้แค่ป่ยวครับาุณพ่อหมอหมอฝาดหมอฝรดหมอฝาด ไม่ได้เห็นภาพไม่ดีนะเขาบากถ้าถามว่าเขาลืมไม่ลืมมีความรู้สึกนาักรืไม่รู้สึกอะไรถามอะไรก็ได้ไม่เป็ไรแต่ไม่านก็ไปสัตว์มาไม่ทันาีาม่ใช่ไี่ามท่นแหะนมาบาที่เนี่ย ถาว่าเขาเลืม อ, อย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกยังไงตั้งวกไม่ใช่ยังยังยั ง, งรักลูรนายนอยู่แล้วก็ถาว่าแล้วก็ดูที่ไหนต้อบอกเป็ว่าคุณจันร์อนการเคยมา้ก็ยอดส้าอสามสิบแล้วก็ปกติมาปกติแต่ว่าวันนี้มาไม่ดีท่านคิดไหมนะเป็นท่านมาลูกศิษย์งานสองร้อยอีเลย แต่ว่าบางทีพวนี้มันเย็นหน้าดิเห็นไหมว่าเราเป็นเราไม่รู้ขายดีขารด๋อยแต่พวกมันเย็นหน้าพวกเกลดปาดูทีจต้องถึงมีสัญญาณสีไงมีอะไรอนแล้วอาจารย์บอชูมาเล่าก่อนมาอาจารย์ก็คินมาน้าเนี่ยบางทีบาทีโน่นมามาจะแก้ดิมาไม่ยอมกลับแล้วไม่ไปไหนดีนะใช่ใช่ ไม่ได้กู้หรอกรับตรงพระมาโอ้ข้าวมันไม่ได้ล่มกู้เนแบบเรือตรงวิยน้ำใช่ไหมดาบอ้อริงมีคนให้ถามว่าวัอาคารเรื่องที่มีใครร่วมพ่ออะไรว่ารพังเดี๋ยวๆมีรถไหม จะพาไปดูนไงหมรูเียต้องปุต่อละทำไงเอ้นี่ฉันไม่เคยปานมันอี้อหนึงฉันไม่เคยถามถ้าจีงจริงเรื่องนี้พ่อเนไม่ไม่เจอเขาเจอบ่อยๆแด้ก็ไม่ได้ถามท่านอันนี้เรื่องจริงๆนะไม่ถามว่าเป็นข้อโิษิตหรือว่าปริหารเจอเัืเจอบ่อยๆซึ่ มีการซ้อมสมาธิองไว้ดีอันนี้เป็พรดีมากจะ่ไหมใช่เรือเปล่าโอ้ถ้าเลินยิ่งปนกรรมฐานที่มีผลใหญ่จิตพักพักนตื่นเลยใช่ไหมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันไม่ดีถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าถึงอุปจารสมาธิปั๊บเป็นเส้นปังปังปังอันนี้ดีมากเป็นจัดพรกเต้นจับพักดิ้นนี่ทาเข้าทางเดียวเราต้องถาย ตัว่าไปของดีจริงๆเวลานี้เช็คก็ไม่สมีสันถ้าสมัยก่อนเขาเล่นกันมากใช่ไหม้โหาโดดไก ล, ลๆบางทีภาพมันลูกเสือมันขุกเหมือนก็เสือสรามมันเสือมากเลยนันนเปนของจริงแล้วคนจะเล่นกันพวกสึกสมาธิเนี่ยคนจะเล่นแบบ ป, ปกติแลสุนรุปาีาเลยใช่ ความสะดวกใช่ไหมให้แม่บ้านไปซื้อลงมาไว้ใส่ก็รือสะดวกไอ้เรื่องโงเนี่ยมันมันมันมันมันำใจลําบากใจตายปุ๊บโอ้ยุ่งงานในตัวพี่ที่ไม่มีใช่ไหมนี่ไปซื้อวัาถุดิบมก่อนทำาป็นเตียงนอนไว้อ้าวแหมวาเลยตรงก่อนะมามีความสุข แล้วก็จะพ่ม…เราห ง, งายฝาปิดใช่ไหม <laughs> หน้าร้อนแล้วก็มลทบน้าหนาวีเ้อนเลยตอนเชนบสถ์สื่อาแรกใช่ไหม <laughs> ต, ตามโปดตีอยู่ในบัณช า, <im ple> ออาพอเหรอตามใช่ําภาษาแรกเันแรกก็เข้าไัณาาเลย <im ple> ออนนี้มีตอนที่จะมีงานแรกอยู่ในบัชชานะมันก็รับมันก็ยุ่งยุ่งที่วัดวัมังคอลจะมีลูก มีไอ้ดูหินก็สะสมะอ่อเพราะปานนึ่เขาขอวัานสามศิษลูกลงไม่จักนี้นะนนเวลาเขาจะมาเผาใช้ต่อลงไม่ยางแกนให้เขาเผาขอไหว้ผู้คนจนตายอันดับแรกกต้องไปใส่ก่อ น, นอี่ไหมนี่มันก็เหลือใช้ใช้ก็วานพระื่วยกันหามเอาไปส่ลาดหลกประจำขวาจำในที่คนนี้ศาสตร์ด้านนั้นไม่ แล้วก็วก็าทำเป็นโต๊ะสําหลังเขียนต้องเขียนมากเป็นเตียงนอนมากเลยคนเราทำภาษารอ บ, บไปหมดที่เขาเลยได้เกียไปสามสี่รูปเลยเขา อ, อยู่นี่ตอนงานวันเริ่ม ง, งานผมไปค้าขายของอ่ะเ้าก็พกผู้หญิงก็มผีผู้หญิงมากสมมตผู้ชายสองคประมาณได้ยี่สิบกว่าเกยได้เกีงแดงแๆงเลาปลกแล้ก็เดินไปพอเริ่มทาไปแล้วเกยก็ไปคุยอยู่นาน พูดไปทีไม่เราก็นั่งมุนลงสีลงสีอราจะเป็ดกเราเป็นที่วังสีแกมองมอะไรล <c oughs> องลงสีทางที่นี่อะไรงลงสีที่หน่าอะไรเงสีิ่ง้นไปมันอมันยับไปทั้เราก็อยู่คนเดียวมานานเรื่องนี้อะไรแล้วจากมาถึงถึงวัดถ้ามทางเข้า กิ่เตียงแดงมพระดีหรือผีไอ้พวกนี้ตัดหน้ายาเราเลยยาผีไอ้ซอยเช้ารีสอร์ทตั้งชาตเลยไม่ได้หรือฉันมอถามอะไรแต่ไม่กินหรือม่ผีไอ้เราก็เรียตั้งชาติ้าลูกใหญ่โตักอย่างานได้จุดตาทัวทุด ทำยังงฮักกอยอตังมันม่้ไม่นเส้นาก็มีมีคนม้าเก่งก็ีมองไม่ไดกแ่เวลตอนนี้ชื่แรกก็มองไมู่ทีบงเอิญจะมองไปเหมามอะไรโอ้โห้ อะไรโตที่บางสีไอ o แกยินข่าวนอนลงสีที่นั่งอะรลงสีทานนอ่อนกันหมุเลยสากสิบสีก็เลยต้องใส่กันสางสีเนี่ย อาเนี้ยอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำวีว่าทําอย่างไรจะไม่โกัวดียังไม่กล้าเราไม่โกรธแค่อย่างเดียวโกรที่ผ่านวัดมาแคนลูกสู้เลยคนลูกตุตี <laughs> แล้วก็เด็กทีไหหักลั่นออกมาเถ้าเรากลัวสักคนที่จะโกรธเหมือนกันเลย ความกัวมันก็มีอยู่บ้างธรรมดาใช่เพราะงนอยู่แต่ว่าที่สลับตัมีอรไรใจอย่างผ้าทุกองถ้าไปนอนมันจะโดนทุกองแต่วันนี้สาวเขได้หนามากใชาวสลายใหญ่ลมเราไมนมีย่อจุกการบุกติย่มันก็ถูกลกันหนาสาวขนาดนั้นโย่ไม่ได้แล้วสใหญ่ราณนี่ใช่ เาจะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่นาดขลาทั้งหดโยหยิ่อะไรไี่แอยู่นโยทนก็จะคนเดินมองดูในการฆ่าถามเฮ้ยมึงโยทำไมวะคมไม่เีนหัวเลยออรู้ทันเฮ้ยคุณม้โยไมคุณมไม่เบีนหัวหมดเลยเลยโยแล้วก็รูแล้วขลาจะโยไม่ได้ถามีลมขนาดไหนมันก็ไมโยถ้าพังกต้องพังเลย ใช่ใจแกล้งพลเรือนใจแกล้งพลเรือนแม่สลายโยทําไมหลายรุ่นแบบบางทีไอ้ลงที่เราเรานั่งอยู่เนี่ยเราตั้มเห m นไหมตั้มแล้วไอ้หนูเด๋ยวเข้ามาด่าพื้มาเรียบหนูดิ้นกุ๊กคั๊กกุคั๊กเลยนะเมื่อหนูวิงมามา้เพียเดียวโอเเดียวส่วนไปหนูตีหัวเอามีอะไรประจําตัวป อาวุธประจำกายคือไมคุณแปะแทนที่มักไหวที่ดีไม่ใช่ไหวไม่เล็กตงานคุณแปะใคือตรงคุณแปรผีโูคนบ้าโอ้โหใครอยากตีนะเครตีจะตีพังไม่โห้ผีสุกเท็จเหรอไอ้โตไอ้โตอีนี่เรียนนั่งหรือไงนังบานนั่งข้างแล้วก็ปี๊ปี๊น้ําบาไว้ล กันอนเวสไลหลับไปหัวค่ำหรือมันหลับไปนั่นตอนเยน็นกาสักไม่ไม่ถึงสองทุ่มดียร์ตืมาเด้งก็งายมองไปเห็นเป็นผีหัวขาดเป็นคนทุกเร่องแต่ตัวทําไม่มีหัวนั่งบนโต๊แล้วก็มองแล้วบองอีกท้ายตาแล้วจะไป็นคนไม่มีหัวนะอ่ะไอ้นี่ไม่มีหัวเสียงมา้าพันหล่อตีข้างปงมันเกิดน้อ <laughs> <laughs> นที่มันแปจริงๆอนะันได้งงายเนะ่ะ เราเห็นว่าเราเห็นว่าคนไม่มีหัวหน้าเลยแก็ตีเลยใช้ไม่ได้ตำรวจจะไม่ช่วยตีนะดูแลดูอีกที่ตาแล้วนี่แต่มันก็มีลักษณะนั้นน่ะก็มั่นใจว่าผีตีเลยไม่มีหัวก็ตีข้างเลยไอ้ี่เลยร้องเรือร้องมือปิดมือเย็นลมปิดฟองปิดเบาปิดกยุ เดินได้สิรูว่าสินั่งนอนเออพ่อไอ้่นี้หัวขาดมันแล้วมันจะเดินไม่ไม่ปกตนมันรื่อขาขาดมันหัวขาดนี่้วันได้ตาเธอไม่มีพอเดินได้ตาไม่มีเตอไม่มีแต่แ้วันขหัวขาดแล้วเจอกู้ใด้ีกแลวเอมาแล้วหัวหลายสิบเลย ว่าไม่มีพูดได้หรือว่ามีท า, างาหนึ่งื่นมา่อนตีสองหน่อยนะวัตนตีหนึ่งซึ่งเศษที่เราต้องเป่ทุกทีเป่แล้วก็ล่านาข้ามาทำบ้าสดหมดตีสองก็เริ่มเจริญมัมผ่านใชนะ่ไหมอันีรกติเล้วนั้นผ่านมั น, น ล, อ ล, อลอ้อมรอบพิชยัยมังกรเี่ยเขาเปิดตาตาวีล่านาพวกโดดก็้นเนีเด้งหงาย โดนจะยิงยิงยิงโดนก็ไม่สนุกสนานมากนะมองดูหาหัวไม่ได้สตัวได้ดิมันไม่รู้มันโดนได้ยังไงก็ยืนมองจิตมันไม่รู้อะโดนลามาล้างตาเสร็จก็มาทำวัดสดมนทำวัดสดมนเสร็จเพื่อนตูนก็ให้มันมันก็ยกไปเต้นอ่างนั้ี่พอใกล้จะดีสองห้าปีเลยเวลาพอดีห้าปีดีสองก็เริ่เรียนงานานมันโดนเข้มาเต้นข้างใ ตล ว, ว่าเต้นทองใกล้ไม่ได้สงัดแต่ตัวเป็นหนึ่งวานั้นเต้นรอบๆแบบนั้นแล้วก็แล้วว่าทาไปถึงปีสี่พอปีสี่ก็เลิกเพราะเราเลิม ก, กมันก็ไี่เต้นหรอกเลยเราถามมาถามมึงเต้นทำไมว้ามันบอกสนุกดี <ossing> ไม่นีหัวมันพูดได้ม <c oughs> ันบอกเจนี่สนุกดีอะไบอกมอูลยายเนเต้นเราเต้นแล้วมันยังเสียขมา ย, ยัางตีแน่ เอาไม้คุ้มแฝดไว้แลดแล้วก็เอาดูดีสบายมันก็เป็่ไปโช่ย้อนไปแฝดก็ได้กปล่าหิหัวขานที่ทำําอะไรไว้อ๋อเคยกัดหัวปลาโอมโหัวกไม้ปูระวังีัวดีใช่ท่านดีควมไปชำระนี่คำซะตัวระบาดทีตรงนี้เลยข้าวรอท่ายท่ามีตัว ถ้าจำไม่ได้ํำละเรียว่ารูปเลยหมือนเดียวพอย <laughs> อดยอดทั้งหมื่นเลยไอ้ผีก็ขัดเพราะนั่นเราไล่ผีแล้วไม่ใช่ีเนี่ยเป็นเทวดาที่ชาสมมหากาผ <c oughs> ีมาเต้นไม่ได้ผีไม่ใ็น ไปถานพวกผีแล้วอาสุนทยก็ดีธรรมเวสีก็ดีพวนี้ก็บอกผมไม่มีโอกาสจะมาหลอกหล อ, ล อ, ลอนมันมีทุ้เผยธรรมาม า, ทากทไปถานพ่อปายนั้นปานบนกผีมาเซ่ตไม่ได้เลยต้องเป็นพวกเทวดาช่าตุมหารแล้วก็เป็นปานสีผูติแล้วมันสร้งทัพทัพทัพแกโคตรบรรลุทางไปจะนั่นประมาณสองกิโลเมตรเาคนละไร้ไา้นั้น แล้วาก็เตให้เราดูนะไม่กัวแล้วเขเลิเต้นล้วต่อมาวันหลังที่รู้พวกเขาพูดเป็นพูดธรดาว่าต่อมาอีกสามเดือนสเสร็จเขาสแสดงทุกคืนเลจิจัดคืนนั้นมาแล้วเขาสแสดงทุกคืนเพื่อไปนหน่อยก็มี เ, เรื่องสแสดงเร่องอะไแสดงไปตามอบใจแล้วนักข่านาักเทาใกล้จะออกพรรษาสแสดงไปคืนไม่พอสแสดงในวันตอ่อ เราไม่กลัวม็เฉยเฉยไม่ได้แช่ไหมบ่ายดีๆว่าเห็นบ่ายมันเล่นไม่ไ่แปลกดีกว่ามันยิ่งไม่เหตอนกลานวันใช้กันเดินเขาปวดปะูปั้งเขามาเราดนเขวี้ยงติตรงนี้นะปุตติมันไม่มีข้อแล้วเดินมาปั้แเ้วก็เอาเท้าตายแล้วมันจะโอกไก่ก็ห้อยหัวลงมาเอาเท้ากอนแล้วก็ไปตายเรื่อยมา ไหไมป่าป่าเราก็เห็นพวกาบอกวาตกแต่งตกแต่งมาอีหรือไม่ตกแต่งมาคุเรี้อยเ่มัอนโรงเรียนพระโรมโมตรีมาเลวเขาเปลี่ยนแปลงไปยนไปโยนมาเรียบร้อยตุ๊กตาละหายไปเลยนึ่เขาแสดงถึงขั้นทีเส่นเขาแล้วต่อมาคือหนึ่งรายย่อเป็นาเวล้2สองสามวันทำโมติ่ต้องตื่นเ้นหนึ่งขึ้นห่ไหม ตอนนั้นรู้สึกมันก็สบายก็นอนห ล, ลับหลับเลยเวลาไปก่อนตีสีหน่อยก็ตืตต่นขึ้นก็ตื่นแล้วก็มีกิจการมาันด้วยมันเวลาอะไรโอ้ใกล้ตีสี่นี่เรานอนสายหน่อยแล้วเสียงเข้ามาตื่นก็ชนะประตูคุยสองคนเสียงใหญ่ๆฟังแล้วเหมือนภาษาไทยแต่ไม่รู้เรื่องสักคำ<อ>แล้วคุยเขาคุยกันเหมือนเราพูดภาษาไทยอยู่เลยแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลย อ ย, ยยอยิดเลยตายกันมาผมใกล้สี่ก็หยิบขันน้ำเท ล, ลูกพลังหาะะเห็นเขาคนหนึ่งเลยจะื่องเฮ้ยไปเลยวยผใกล้สว่าเอล้ววคนหนึ่งเขาบอือกูไปเหมืนกัน่ะรัเคยกูเป็น ไ, น ไ, นน ไ, ไงนอนตื่นสายมันมมเขา <c oughs> เคยตื่นตีหนึ่งขึ้วันนี้ถ้าไม่ตื่น้วใกล้ตีสี่เาเคาะประตูตีหนึ่งปังปังปังปังั ง, ง, งพันพนรึเปลตื่นตีสี่แลวันที่ส ปกติม um ันม yeah. ันเป็นแานรอบตัวใช่ไหมเรายืได้เลยตาเลยถ้าจะลงมาได้ say, ah, ha, ha, ha. ้องลงที่ทางมายินอยู่แล้วยิบ้ายิ่งไปเลยสายสายุดเดี๋ยวตึงตลาดพลังวิ่งลงมาได้สายไปเดียวว่าฮาฮ่สยเี๋เดี๋ยวฮ่า่าฮ่าสเดี๋ยวเดี๋ยวน่นอยที่สุดเขาเรียเปื่ยนแล้วก็แปลงใจ ถ่าเวทานุ่งผ้งปงาปานผ้าปานบอกว่าก็เป็นลูกศิษย์ท้ามหาราชเย่านั้นมาคุ้มครองว่าคนที่จะเลยธรมาฐานเนี่ยถ้ามีอรมทรงตั้งแต่ทีตีเป็นต้นไปอ่านี้ส่งคนงงมาคุ้มครองเทวดายส่งคนธรรมามาคุ้มคองกันดีอีกแตนที้แกคุ้มดูแต่ว่าจะตึนะต้นอ่าตึ้งหกข้าทึ้งเองแสดงหลายท่าพู้คือนอมีผูกค แล้วว่าตั้งแต่วันนั้นไปจนมาเมื่อเขาเรียเพื่อนใช่ไหแล้วก็เลยใช้งา mm hmm. นเลยก่อนจะนอนหลับก็อบอกเพื่อนอยู่ไหน mm hmm. ถ้าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับฉันหรือว่าของวัดสดีแก่ต้องปอกกัน